ธรรมบทแปลเรื่องที่132เรื่องพระเทวทัตข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบระเทวทัตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายัสสะอ จ, จันตะดุสซีละยังเป็นต้นตอน สนทนาเรื่องลามกของพระเทวทัตความพิสดารว่าในวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลมีทำลามกเกลี้ยกล่อมพระเจ้าอาชาติตรูยังลาบส ก, การะเป็นอันมากให้เกิดขึ้นชักชวนพระเจ้าอาชาติตรู ในการฆ่าพระบิดาเป็นผู้ร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติสตรูนั้นตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตัณหาอันเจริญขึ้นแล้วด้วยเหตุคือความเป็นผู้ทุศีนั่นเองพระสัสดาเสด็จมาตรัถามว่าภิกษุทั้งหลายบัตรนี้เบิกเธอนั่งสนทนากันด้วยคถาอะไรหนอ เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ปัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเทวทั์ทก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าเราด้วยประการต่างๆเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสชาดกทั้งหลายมีกุรุงขาชาดกเป็นต้นแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายตั้นหาอันเกิดขึ้นพระเหตุคือความเป็นผู้ทุศีนหุ้มห่อรวบรัดซั์ชื่อซึ่งบุคคลผู้ทุศีน ล, ล่วงส่วนไปในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นเหมือนเถาย่านทายรัดรึงต้นสาระฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ายัสสะอัจจันตะดุสีละยัง มาลุวาซาละมีบวทตังกรติโซตัทั ต, ะทะตางยัทานังอิจตีดิโซความเป็นผู้ทุศีลล่วงส่วนรวบรัฐอัตภาพของบุคคลใดดุดเถ่าย่านทรายรัดรึงต้นสาละฉะนั้นบุคคลนั้นย่อมทำตนอย่างเดียวกันกับที่โจรหัวโจก ปรารถนาทำให้ตนฉะนั้นตอนแก้อัดความเป็นผู้ทุศีนโดยส่วนเดียวชื่อว่าอัจจรย์ตดุสซีลยังในประกาถานั้นบุคคลผู้เป็นกระหัสถามากุศลกรรมบทสิบตั้งแต่เกิดก็ดีผู้เป็นบนรรพชิตต้องครุ ก, กาบัตตั้งแต่วันอุปสมบทก็ดีชื่อว่า ผู้ทุศีลล่วงส่วนแต่บทว่าอาจารย์แตดดซี่ลยอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสในพระคาถานี้ทรงหมายเอาความเป็นผู้ทุศีลอันมาแล้วตามคติของบุคคลผู้ทุศีลในสองถึงสามอัตภาพอันหนึ่งตัณหาอันอาศัยทวารหกของผู้ทุศีลเกิดขึ้นบัณดิตพึงทราบว่า ความเป็นผู้ทุศีลในพระคาถานี้บาพระคาถาว่ามาลุวาซาลามิวทะตังความว่าความเป็นผู้ทุศีลกล่าวคือตัณหารวบรัฐคือหุ้มห่ออัตภาพของบุคคลใดตั้งอยู่เหมือนเถาย่านสายรัตรึงต้นสาละคือปกคลุมทั่วทั้งหมดทีเดียว โดยสามารถรับน้ําด้วยใบในเมื่อฝนตกแล้วหักลงฉะนั้นแลบุคคลนั้นคือผู้ถูกตันหากล่าวคือความเป็นผู้ทุศีนนั้นหักรานให้ตกไปในอบายทั้งหลายเหมือนต้นไม้ถูกเถ่าย่านสายหักรานให้โค่นลงเหนือแผ่นดินฉะนั้นชื่อว่าย่อมทําตนอย่างเดียวกันกับที่โจรหัวโจก ผู้ใครความพินาศปราถนาทำให้ฉะนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระเทวทัตจบ